นอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพอน้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วกับผมขอปรนนาเป็นองค์แรกแต่หมู่พวกเพื่อนก็นั่งกระยงปรนมมือองค์ไหนพูดจบเลือว่าปรนรณาจบก็นั่งลงเป็นออ่์ตีละองค์ละองค์ละองละองค์จนเป็นถึงองค์สุดท้ายก็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 แต่ถ้าว่าเป็นพระผู้น้อยพระผู้ใหญ่ก็ถามเออท่านได้ยินว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงไหมเน่ยเรามัดระวังนะอันนี้คือหลักพระรรมวินัยนะต้องระวังจะไปทําตามอัตถะใจอำเภอใจได้ยังไงเราบวชมาเป็นพระสากยบุตรเราจะไปทําอย่างนั้นไม่ได้นะอันนี้ก็คือการพูดแบบให้พระที่มูมีอายุพรรษาน้อยกว่า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 เห็นว่าถูกต้องตามหลักพระธรรมพินัยต่อไปแล้วองค์ที่สองกับประวัตินาอีกเออครูบาอาจารย์หมูพวกเพื่อนทุกองค์ถ้าเห็นการกระทําของผมด้วยกายวาจาใจก็ขอว่าข่าวตักเตือนผมได้ผมจะได้สํารวมระวังต่อไปนี่นก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนี่แหละในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าผมได้อ่านในพระไตรปิฎกออท่านก็ยังได้ประกาศได้ประวัติกับสงเหมือนกัน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 รอบทุกอย่งทุกอย่างแล้วพระองค์ก็บอกว่าเออบางทีอาจจะมีอันนี้คล้ายๆเขาว่าพระองค์ก็ยังอยู่ในชุมชนในหมู่มนุษย์ชาติพระองค์ก็ได้ประวรัตนาแต่ก็คงจะประวัตนาเพียงครั้งเดียวแต่ครั้งนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็เราในพระไตรปิฎกท่านก็ไม่ได้พูดให้ชัดเจนอันนี้ผมได้ยินผมก็เออซึ่งในพระมหากรุณา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 อำเภอจังหวัดนงลพลาพูเครื่องกระตุ้นหัวใจอันนี้ห้าแสนวัดของเราจะต้องได้จ่ายอีกสองแสนกว่าเป็นเครื่องอบอบเครื่องมือทำความสะอาดเครื่องมืออันนั้นสองแสนกว่าั น, นเสียตต้เสียต้อมเขาจะเป็นผู้ถวายเป็นบผู้มอบให้นะแต่ถวายในานามของวัดเรานะแต่ว่าเรื่องเครื่องกระตุ้นหัวใจในะยังอยู่เรายัางเป็นหนี้อยู่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 ผมก็จะได้ทําความเข้าใจกับพวกลูกห ล, กลานที่อยู่ภายในวัดผมก็มองมองดูแล้วก็ไม่เห็นอะไรที่จะขัดข้องก็มีแต่ให้พ้อมพากันรีบเล่งภาวนาภาวนาของใครของเราเท่านั้นแหละท่านไหนหาทางพ้นทุกแต่จุดหนึ่งอีกนหผมอยากจะบอกกล่าวหรือว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราท่านหลายก็มุ่งเน้น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 ทองไม่แท้ทองปลอมนี่กเหมือนกันการที่ภาวนาสําหรับหมูพวกเพื่อนพวกบางองค์พอภาวนาเห็นว่าตัวเองได้สําเร็จหรือว่าจิตใจอยู่ในระดับหนึ่งก็เป็นผู้อยากจะสอนคนอื่นนั่นแหละคือตัวกิเลสการอยากจะสอนคนอื่นสอนไปเพื่ออะไรแต่ถ้าว่าหมูพวกเพื่อนเข้ามาแล้วเออเอาแนะนำํำบอกกล่าวอย่างนี้นี้อานาการแนะนําบอกกลนะ่านั้นเป็นเป็นส่วนที่ถูกต้อง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 สัมพันธรรมไมตรีในหมู่พวกเพื่อนให้เคารพนบน้อมให้มีสัมมาคาระวะในหมู่พวกเพื่อนเดียวกันแต่ขนาดผมผมอยู่ในหมู่พวกเพื่อนนะในหมู่ในเพื่อนนะแต่รุ่นของผมไม่เป็นไรรุ่นของผมก็คือ ท, ท่านนบพดลบ้างท่านเยือนบ้า ง, าา ง, างมันก็ไม่มีไม่กี่องค์เพาพระฝรั่งมากในช่วงในช่วงนั้นที่ผมอยู่บ้านตาดนะตาไม่จริงผมอยู่องค์หลวงตาตั้งแต่2510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 วัดป่าบ้านตาทำทุกอย่างเพื่ออองหลวงตานะแต่พอมาช่วงหลังๆนี้พระรุ่นใหม่เข้าไปผมก็ได้ถือโอกาสลาเลยให้หมู่พวกเพื่อนอยู่ต่อไปอันนี้คือรุ่นคคนรุ่นคนรุ่นหลังเข้าไปผมถอยจึงมาอยู่ที่นี่เราอยู่กับครูบ า, าอาจารย์ยี่สิบกว่าปีน่าจะเพียงพอดีก็ดีชั่วก็ชั่วอยู่กับตัวเองทั้งหมด่ะะอยู่กับตัวเองนั่นและผมจึงได้ถอยออกมา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 เรายกย่องใครคนนั้นจะเสียเพราะนั้นเราจึงไม่ค่อยจะยกข้องย่องคู่ค น, นกับพระเนนของเราไม่จะขู่ไว้ท่านว่านี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะนั้นข อ, อให้พวกเราทุกๆองนะท้าวว่าภาวนาอะไรก็ตามทานได้แล้วอยู่ในคมในฝักไว้กอดอดีนะอย่าไปถอดออกมาเพ่นพานทำให้คนอื่นที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็ทําให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 อยู่ในใจของใครของเราทั้งหมดนี่แหละอันนี้บางทีบางครั้งผมก็ได้พูดได้แสดงความคิดเห็นหเพื่อหมู่เพื่อคณะนะไม่ใช่เพื่อเพื่อเราเราในต้องการอะไรผู้พกเพื่อนมาอยู่กับผมผมจะรู้ได้แล้วว่าขนาดนี้ยังไม่พอเลยหลวงพ่ออินฮนะอธติเลกราบญาติโยงขนาดนี้ยังไม่พอเลยหลวงพ่ออินนะนี่แหละผมพอแล้วยอมแพ้ อ, อีกต่างหากเรื่องลาบเรื่องยศไปเอาไปทำไม